ที่สการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมในแพทย์อาจินบุญเจเกตลูกและพ่อต้องถูกผ่าสมองอีกไหมเนี่แล้วเมื่อไรจะหายจากโรคนี้เป็นคำถามที่ผมถามออกมาดังๆจากปากต่อหน้าภรรยาและพยาบาลพิเศษที่เฝ้าพยาบาลผมในห้องผู้ป่วย ที่เตกวิบูลักษ์โรงพยาบาลศิริราชเมื่อกลางปีพศ2504โดยมีคุณใบกล้าหารแห่งโรงพยาบาลสง์ไปนอนเป็นเพื่อนด้วยพรุ่งนี้สองมองเช้าพ่อจะต้องถูกผ่าอีกครั้งคราวนี้จะทารุณที่สุดเป็นคำตอบของเด็กหญิงพิมพ์พาวดีโห oh, สกุลซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อพศ2503และบิดาของหนูพิมพ์ภาวดี ได้สร้างพระพารไว้เป็นอนุสรแก่แม่หนูที่วัดมกุฎกษัตริยารามพระพาแรกทางขวามือซึ่งเมื่อก้าวเข้าไปในวัดบริเวณชาปนสถานคุณเจราญเห็นพระพานี้พร้อมทั้งรูปในกรอบหินอ่อนจะรึกไว้ว่าเด็กหญิงพิมพ์ภระวดีโหสกุล ไม่มีใครในห้องผู้ป่วยที่ผมนอนอยู่ได้ยินนอกจากผมคนเดียวผมจึงทวนคําพูดของแม่หนูออกมาดังๆว่าพรุ่งนี้แปดโมงเช้าต้องผ่าอีกคราวนี้จะทารุณที่สุดผมสนใจคําพูดของพิมพ์ภาวดีที่ไม่มีใครแครเห็นนอกจากผมทั้งสองคนคอยฟังและคอยจดจําคําพูดด้วยความหวาดกลัวและล ง, งุนงงเรื่องเป็นอย่างไร เท็จจริงแค่ไหนผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังณบัดนี้เริ่มเรื่องว่าผมได้ป่วยด้วยโรคปวดประสาทสมองเส้นที่ห้าประสาทสมองมี12คู่ทางด้านขวาเริ่มเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นอายุาราวๆ6 1 7ถึงปี ตอนนั้นพอดีเกิดสงครามอินโดจีนและก็เป็นเรื่องมาระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเป็นหายหายโดยมีอาการปวดประสาทด้านขวาตั้งแต่เบ้าตาขึ้นไปถึงกลางกระมองปวดอยู่ซีกเดียวตอนนั้นยังเป็นหนุ่มแน่นอายุยังน้อยอาการก็ไม่ทรมารุนแรงมากนักกินยาแก้ปวดดังแรงหน่อยก็บรรเทาไปได้ ผมได้ขอให้อาจารย์ที่สิริราตรวจท่านก็บอกว่าสายตามีส่วนช่วยให้ปวดประสาทได้เพราะสายตาไม่ดีผมก็เลยสวมแว่นตา ม, มาตั้งแต่อายุ20ปีจนบัดนี้สรุปว่าผมป่วยด้วยโรคนี้มานานเป็น 10, 10ปีตอนที่เป็นในแพทย์ผู้อำนวยการที่จังหวัดภูเก็ตก็เป็นตอนที่ไปศึกษาต่อที่อเมริกาสปีก็เป็นทั้งสาปี แพทย์ที่อเมริกาชวนผ่าตัดผมก็ยอมพอจะผ่าตัดมันก็เกิดหายปวดเพราะมันเป็นเป็นหายหายหมอที่นั่นเลยไม่กล้าผ่าช่วงขณะที่ผมเป็นรอผู้มริการโรงพยาบาลสงอยู่ฝ่ายวิชาการเกิดปวดมากอีกหนจนทนไม่ไหว ต้องเข้ารับการรักษาที่เสืริราชตอนนี้เองโรคนี้ไม่รู้สาเหตุแต่เดี๋ยวนี้คุณหมอศิ ร, ระฐบุญดรัตเวสหัวหน้าสัญญกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีผู้เชี่ยวชาญทางสัญญกรรมสมองและประสาทท่านผู้นี้เองที่รักษาผมหายขาดด้วยการฉีดน้ํายาเข้าไปในสมองไปทําลายต้นตอของประสาทเส้นนี้ให้หมดสภาพไปเลยท่านบอกว่า หนึ่งในสาเหตุของโรคนี้ก็คือเส้นโลหิตในสมองเส้นหนึ่งไปเบียดเส้นประสาทสมองเส้นที่ห้านี้เมื่อเส้นโลหิตขยายตัวตามจังหวะการเต้นของหัวใจมันก็จะเบียดกระตุ้นเส้นประสาทนี้ทุกทีหนักๆเข้าก็ระบมปวดอย่างนี้คนโบราณเรียกว่าลมตะกังหมอปัจจุบันเรียกไมเกรนหรือเอกเดลารู หรือไทเจมินั่นนิวราเจียซึ่งมันก็ชื่อเดียวกันการรักษายากมากตอนปีพศส5งพัน้นั้นคุณหมอสิอระยังไม่กลับจากการศึกษาต่อที่อังกฤษท่านกลับมาตอนพศส5งพหรือเรือเรานั้นท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อุ ด, โดมโปษกฤษณะเป็นผู้รักษาผมศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยบำรุงผลแห่งภาควิชาสัญญกรรม และศาสตราจารย์ในแพทย์สมบัติสุขนธพันธ์ฝ่ายโรคทางยามาร่วมด้วยทั้งสองท่านหลังนี้เป็นเพื่อนกันก็เลยตั้งใจมากเป็นพิเศษแต่มันไม่หายผมได้ถูกรับตัวไว้เพื่อตรวจละเอียดและรักษาที่ตึกวิบูร ล, ลักษณ์ชั้นล่างห้องที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้เสียแล้ว โดยได้รับการดูแลยูยารักษายอย่างดีจากครูบาอาจารย์และเพื่อนฝูงแต่อาการปวดประสาทก็รุนแรงมากแทบจะผูคอตายไปหลายหนคืนหนึ่งละราวสองทุ่มเศษโรคปวดประสาทมาเอาผมอีกทีนี้ปวดดิ้นเลยพยาบาลให้กินยาฉีดยาตามแพทย์สั่งไว้ก็ไม่สงบเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็นอนหลับตาเอามือกุมขมับข้างที่ปวด แล้วภาวนาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธทำอนาปานสติไปเรื่อยๆที่ผมทำแบบนี้ได้ก็เพราะเมื่อปีพศ2500ผมบวชพระที่วัดราชาที่วาดเหลี่งพรรษาวันนี้เป็นวัดวิดวปัสสนากรรมฐานผมก็ได้รับการอบรมเรื่องนี้มาด้วยพอทำสมาธิวิปัสสนาสักครู่อาการปวดก็สงบลงมันก็เป็นเช่นนี้ คือปวดสักพักแล้วก็บันเทาพอสงบผมก็เลยสงบจิตทำสมาธิต่อเวลาประมาณสามทุ่มเศษผมมองเห็นอะไรร่างก็เลยลีบตาขึ้นมาพลางถามภรรยาและพยาบาลพิเศษที่เฝ้าอยู่สองคนที่ว่าใครมาได้รับคำตอบว่า ดึกแล้วไม่มีใครมารอผมก็หลับตาเข้าสมาธิต่อพอสักครู่ก็เห็นชัดขนาดลืมตาหมอก็เห็นชัดว่ามีเด็กผู้หญิงรูปร่างอ้วนเหลือกำลังอ้วนอย่างกลับเป็นโรคชนิดหนึ่งแต่หน้าตายังเด็กมายืนอยู่ข้างเตียงเธอแต่งตัวด้วยชุดของโรงพยาบาลเมื่อเห็นเช่นนี้ผมก็เอ่ยปากออกถามว่าหนู เป็นใครมาทำอหไ่ที่นี่ผมพูดออกมาดังๆเพื่อให้สองคนนั้นได้ยินรวมทั้งคุณใบกล้าหารซึ่งรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆจนทุกวันนี้และไปเฝ้าผมอยู่ด้วยภรรยาจึงมาเขย่าแขนและพูดว่าเธอเธอนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ก็คงรูกว่าผมปวดมากจนเพอผมก็บอกว่าไม่ได้เพอ้อหรือเสียสติอะไรหรอก แต่มีใครเห็นไหมหนูอ้วนมานั่งอยู่ข้างเตียงนี่สองคนนั้นตอบว่าไม่มีใครดึกแล้วผมสังเกตว่าสองคนนั่นขยับเข้ามาชิดชิตกันภรรยาผมก็ทำท่าจะสวดมนต์เห็นพนมมือไหว้พระประหลกปะหลกแต่ผมก็ยังค้องใจเพราหนุ่มคนนั้น ก็ยังนั่งอยู่อย่างสงบเสงี่ยมผมก็เลยพูดออกมาดังๆกับภรรยาและพยาบาลในห้องว่าจะคุยกับหนูคนนี้นะช่วยจดจดจำไว้ด้วยและผมก็ถามด้วยเสียงออกจะดังๆว่าหนูเป็นใครมาทําไมในห้องนี้แม่หนูตอบว่าหนูเคยป่วยในห้องนี้และตายในห้องนี้เมื่อประมาณสองปีมาแล้วภรรยาผมคอยฟังและคอยจด อ๋อหนูเคยมาป่วยที่ห้องนี้และตายที่ห้องนี้หนูป่วยเป็นอะไรตายป่วยด้วยโรคอ้วนตายค่ะภรรยาและพยาบาลช่วยกันจดใหญ่หนูเป็นลูกใครหลานใครจ้คุณตาหนูเป็นพระยาค่ะชื่อของท่านขึ้นต้นด้วยออ่างลงท้ายด้วยศิริผมทวนคำพูดของเธอดังๆให้ได้ยินทุกคนงั้นหนูก็เป็นหลานผมพยายามนึก สักครู่ก็นึกออกและพูดออกมาว่าหลานเจ้าคุณอัชาราทรงสิริใช่ไหมละ่ะหนูคนนั้นก็ตอบว่าใช่ค่ะคุณอากเก่งมากแล้วพ่อหนูละ่ะคุณอาไม่รู้จักหรอกคะ่ะผมถามต่อไปว่าหนูมีพี่น้องกี่คนมีสามคนคะ่ะหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวผมทวนคำพูดดังๆทุกคำเพื่อให้ผู้ที่กำลังฟังได้ยินด้วย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 ผมลุกขึ้นนั่งเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ภรรยาและพยาบาลที่นั่งอยู่ด้วยฟังพยาบาลคนนั้นเธอตื่นเต้นมากพลางบอกกับผมว่าพรุ่งนี้เขาจะไปถามหัวหน้าตึกขอค้นประวัติและขอทราบว่าตึกนี้ห้องนี้เมื่อประมาณปี2502มีเด็กหญิงถึงแก่กรรมที่ตึกนี้ห้องนี้หรือเปล่าเพราะเธอแปลกใจและสนใจที่ผมพูดกับแม่หนูคนนั้น เป็นเรื่องเป็นราวตั้งนานจากนั้นผมก็เข้านอนไปโดยไม่ลืมภาวนาบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปด้วยประมาณห้าทุ่มในคืนเดียวกันนี้เองด้วยอาการปวดประสาทอย่างแรง ได้ปลุกผมตื่นขึ้นมาอีกแต่สองคนที่อยู่ในห้องหลับไปแล้วตอนนี้เงียบสงัดแต่ผมนอนกลุมขมับกลุ่มศรีรษะด้านขวาอยู่คนเดียวด้วยความปวดที่ออกจะรุนแรงเอาการอยู่ผมก็ได้ยินเสียงแว่วๆที่หูว่าเธอพ่อเธอนอนอยู่นี่ยังไงเข้ามาสิผมลืมตาขึ้นมองก็ไม่เห็นอะไรแต่พอหลับตาก็ได้ยินเสียงพูดอีกว่า เข้ามาิมาเธอผมลืมตาอีกทีทีนี้เห็นเด็กสองคนมายืนที่ข้างเตียงผมคนหนึ่งอ้วนปีก็คนเก่าอีกคนหนึ่งอยู่ในวัยสิบสองขวบหน้าตาน่ารักหน้าอนินดูเธอเดินมายืนข้างเตียงผมแล้วพูดว่าพ่อหนูมาช่วยพ่อ ผมจึงเรียกภรรยาผมและพยาบาลให้ตื่นแล้วถามว่าเห็นเด็กผู้หญิงสองคนตรงนี้ไหมเด็กๆมายืนอยู่ที่นี่นหะพยาบาลเปิดไฟในห้องนอนสว่างพรึบแล้วบอกว่าไม่เห็นมีใครมาสักคนนี่คะผมก็ยืนยันความจริงนอนยันเพราะตอนนั้นนอนอยู่บนเตียงไม่ได้ยืนสักทีว่ามีสิมีแม่หนูสองคนมาเยี่ยมแล้วมายืนอยู่ตรงนี้นี่ยังไง พลางผมก็ยื่นมือออกชี้ที่ตัวเด็กคุณบายยกเก้าอี้มาสองตัวให้แขกที่เขามองไม่เห็นนั่งข้างเตียงทันทีภรรยาผมกับพยาบาลตื่นขึ้นนั่งขยับตัวเข้ามาชิดกันแล้วทั้งสองคนก็ผนมมือทำท่าจะสวดมนต์อีกรอบหนูอ้วนยืนอยู่สักครู่ก็ลาไปคุณอาคะหนูไปก่อนนะคะว่าแล้วก็หายวับไปอีกที เหลือแต่แม่หนูคนเล็กคนเดียวตอนนี้เธอนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงนอนผมข้อศอกสองข้างเท้าที่นอนอยานคางไว้แล้วถามว่าพ่อปวดศรีรษะมากหรือคะผมตอบว่าตอนนี้ปวดมากจากัด mm hmm. เธอก็ยื่นมือข้างหนึ่งมาคุมหรือกดศรีรษะด้านที่ปวดของผมไว้และบอกว่าสักครู่จะทุเราต่อจากนั้นสักพักอา ก, การปวดศรีรษะก็สงบ ผมจึงถามเธอว่าหนูเป็นใครแล้วทำไมมาเรียกว่าพ่อตอนนี้สองคนนั้นเริ่มโจดอีกชาติที่แล้วมาหนูเป็นลูกพ่อผมก็ทวนคำพูดของแม่หนูนั้นว่าอ้อชาติที่แล้วเป็นลูกของพ่อต่อไปนี้เป็นคำสนทนาของผมกับเด็กหญิงผู้นั้นโดยผมถามดังๆ และทวนคำตอบดังๆเช่นเคยชาติก่อนนี้หนูเป็นลูกผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะหนูเป็นอะไรถึงตายในชาติก่อนนั้นหนูไปเล่นน้ําแล้วถลายลื่นเลยตกแม่น้ําตายหนูตายที่ไหนตกน้ําตายที่ท่าโรโม่จึงถามเธอว่าโรโม่อยู่ที่ไหนก็อยู่แถวๆท่าเตียนนี่แหละไม่ไกลเท่าไหร่ ต่อที่ตกน้ำตายอายุเท่าไรก็สิบกว่าขวบค่ะชาติก่อนนี้พ่อเป็นอะไรชาติก่อนนี้พ่อรับราชการในราชการที่สามเป็นผู้คุมนักโทษและราชมันราชมันเป็นอย่างไรพ่อไม่รู้จักราชมันเป็นผู้คุมเป็นคนลงโทษนักโทษทรมานนักโทษรวมทั้งประหารชีวิตนักโทษ ด, ด้วยผมได้ฟังแล้วตกใจมาก เพราะชาตินี้ผมไม่ชอบเปลียดเบียนใครไม่ชอบการฆ่าสาตว์ตชีวิตอย่างใดทั้งสิน้นแล้วจึงถามแม่หนูนั้นว่าที่พ่อป่วยนี้ป่วยมานานเป็นเพราะอะไรแล้วเมื่อไหร่จะหายเธอตอบผมว่าป่วยเพราะกรรมเก่าที่ทำไว้แต่ชาติก่อนพราะมีหน้าที่เกี่ยวกับนักโทษควบคุมลงโทษทรมานเขากรรมก็ตามสนองในชาตินี้ ผมแย้งว่าก็เราทำตามหน้าที่รูปบอกว่าหน้าที่คือควบคุมลงโทษทรมานถ้าเราไม่ทำเราก็ผิดแม่หนูก็ตอบว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนใหญ่สูงดำถูกดีกา ว, ว่าฆ่าชาวบ้านตายทำทารุณต่างๆแก่ราษฎรความจริงเขาไม่ได้ทำแต่ชาวบ้านรวมหัวกัน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 เขาทนทรมานไม่ไหวเขาก็ขาดใจตายก่อนตายเขาผูกใจพยาบาลอาคาตไว้ว่าจะจองเวรไปทุกชาติจนกว่าจะหมดเวรตอนนี้กรรมมาตามทันอย่างเต็มที่แล้วจึงได้ป่วยเช่นนี้ผมทว น, นคำพูดของแม่หนูน้อยทุกอย่างภรรยาและพยาบาลนั่งจำและจดไว้ทุกคำพูดผมจึงถามต่อไปว่า เมื่อไหร่จะชดใช้กรรมนี้หมดเสียทีแม่หนูตอบว่าพ่อทําไว้มากทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมก็สลับกันกรรมดีทําให้พ่อเกิดมาอย่างนี้กรรมชั่วก็ตามมาสนองอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะหมดบาปหมดกรรมอีกสี่ปีแม่หนูตอบว่าพศ2 5งพพ่อถึงจะหมดกรรมนี้แล้วจึงจะหา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 ข้างที่ปวดพาก็พูดว่าพรุ่งนี้แปดนาฬิกาหมอจะเอาตัวไปผ่ากระโหลกศีรษะผมก็ย้ำว่าพรุ่งนี้เช้าหรือจะผ่ากระโหลกพ่อหรือเธอก็พยักหน้ารับคำแล้วก็บอกว่าหนูจะไปก่อนละ่ะพยาบาลและภรรยาผมนั่งสงบอย่างบอกไม่ถูกและแล้วในที่สุดก็ม้อยหลับไปทั้งสามคน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 จัดแจงโกนผมโกนคิ้วด้านขวาขึ้นไปถึงกลางศีรษะแล้วทำความสะอาดต่อจากนั้นก็ฉีดยาให้สลืมสลือประเภทโมฟีนจนแปนาฬิการถเข็นคนไข้ก็มาเทียบเอาตัวผมนอนเปลเข็นไปห้องผ่าตัดโดยมีภรรยาผมเดินตามไปด้วยผมเองตอนนั้นก็จะหลับมิหลับแหลายอยู่ผมมาทราบตอนหลังว่าในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ผมได้รับการผ่าตัดนั้นพยาบาลในห้องได้ไปคุยกันกับหัวหน้าตึกและคุยการต่อไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคือนนี้ทุกคนมีอาการเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งแต่ก็แปลกใจทุกคนที่ประหลาดใจมากก็คือในเมื่อผมเรียนจบจากซิเรราไปตั้งกว่า10ปีจบแล้วออกไปเลยไม่ได้ทํางานอยู่ในนั้นเหตุฉนัยจริงทราบเรื่องเด็กหญิงที่เป็นโรคอ้วน และเด็กหญิงถึงแก่กรรมที่เตียงที่ผมนอนป่วยในตึกวิบูรักและเธอตายในปีนั้นๆนด้วยความสนใจพยาบาลหัวหน้าตึกได้ไปค้นประวัติสืบประวัติของผู้ป่วยที่มาป่วยตึกนี้ในปีพศ .2502 ถึงพศ .2503 ค้นดูนานเพราะไม่ทราบชื่อผู้ป่วยและในที่สุดก็ค้นมาจนได้ว่าได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งป่วย และถึงแก่กรรมที่ห้องนี้ด้วยโรคอ้วนจริงความประหลาดใจในหมู่คนที่รู้เรื่องก็ช่างจะกลายเป็นความเชื่อขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยแต่พอพยาบาลที่เฝ้าเธอบอกว่าเด็กมาหาคุณหมอที่บอกว่าเป็นลูกในชาติก่อนเมื่อคืนนี้มาบอกว่าจะถูกผ่าที่ศีรษะเช้า ว, วันนี้พอวันรุ่งขึ้นเชา้าอาจารย์หมออุดมก็มาเอาตัวไปจริงๆ ่่่ะเเเธออออไมชชืืก็ต้งพยาบาลสาพึ่งพังกันทั้งตึกและจากตึกนี้ก็ไปตึกโน้นไปจนทั่วโรงพยาบาลภายในไม่กี่วันอาจารย์หมออุดมท่านเคยรักษาโรคนี้ให้ผมมาสองสามครั้งแล้วโดยฉีดยาเข้าไปในกระโหลกศีรษะหมายจะให้ยาไปทำลายประสาทที่ปวดแต่ไม่ได้ผลมันเหมือนกับตีงูให้หลังหักโรคนี้อาละวาดใหญ่ ที่ฉีดยาเข้าไปในศีษานี้ประมาณสี่ครั้งในสองปีเมื่อฉีดยาไม่ได้ผลท่านก็เลยผ่าลงไปในสมองตัดโปลปัสาทเสร็เลยโดยเจาะกระโหลกศีษะด้านขวาเหนือหูขึ้นมาหน่อยคงจะเหมือนกับชาติก่อนที่ไปบีบขมับเขาตามที่แม่หนูเธอว่าเจาะแล้วเอากระดูกระโหลกออกมาขนาดราวๆเหรียญสองสลึงทำให้มีรูเกิดขึ้นจากนั้นก็เอามีด เอาเกันไกลเข้าไปตัดเส้นประสาทเส้นที่ห้าแต่อาจารย์ท่านว่าการผ่าตัดทำด้วยความยากลาบากมากผลการผ่าตัดไม่น่าพอใจเท่าไหร่แต่เชื่อว่าคงให้ผลไม่น้อยการผ่าตัดประสาทสมองนี้กินเวลาราวๆสี่ชั่วโมงเพราะความยากลาบากดังกล่าวพอราวๆเที่ยงเขาก็เขีนรถกลับมาที่เดิมในห้องมีแม่ผมภรรยาพ่อตาแม่ยาย ซึ่งทั้งสองท่านนี้มีสักเป็นลุงและเป็นป้าของผมด้วยทุกคนก็คิดว่าผมคงตายไปแล้วเพราะนานเหลือทนระหว่างที่คอยรับผมในห้องพยาบาลและภรรยาก็เล่าเรื่องทั้งหมดเมื่อคืนให้ทุกคนได้ฟังต่าก็รับฟังโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆค่ำนั้นก็เกิดอาการปวดขึ้นมาอีกทีนี้ปวดสองอย่างคือปวดเจ็บในสมองที่ผ่าตัดปวดแผลมีน้ำซ้ำโรคปวดเดิมก็ไม่ทุเลา ทำให้เกิดทุกข์ทรมานกว่าเก่าเมื่อทั้งสองก็กลุ่มที่แผลกุ่มศีรษะร้องปวดดิ้นไปแล้วแล้วก็นึกได้หนูช่วยพ่อด้วยผมตะโกนออกมาดังๆในห้องนั้นมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมกันมากมายต่างก็ได้รับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทุกคนสงบมีแต่ผมผู้เดียวที่ทุรนทุรายอยู่บนเตียงชั่วอืดใจเดียวก็ป ร, กรากฏร่างของเด็กหญิงที่บอกว่า เคยเป็นลูกผมเมื่อชาติก่อนมานั่งอยู่ข้างเตียงผมจึงถามว่ามาแล้วหรือลูกลูกช่วยพ่อทีตอนนี้ปวดเหลือทนแล้วแม่หนูก็เอามือมาวางที่ศรีรษะแล้วพูดว่าเทียวจะทุเลาก็เป็นจริงอย่างว่าอาการปวดก็บันเทาลง พยาบาลซึ่งถือเข็มฉีดยาจะฉีดให้ก็เลยไม่ต้องฉีดคุณใบก็ช่วยยกเก้าอี้ให้แขกที่แลไม่เห็นนั่งอย่างเคยแม่หนูก็นั่งอยู่ข้างเตียงเอาศอกยันเตียงเอามือเท้าค้างตามเดิมผมก็ถามว่าหนูอ้วนไปไหนละ่ะเธอตอบว่าไม่ได้มาวันนี้ทุกคนในห้องฟังผมโต้อตอบพูดคุยกับให้หนูผมถามต่อไปว่าหนูชื่ออะไรจ เธอตอบว่าก่อนที่จะตายนี้หนูชื่อพิมพาวาดีหนูเป็นอะไรตายเป็นไข้เลือดออกตายค่ะตายที่นี่หรอตายที่ตึกเด็ค่ะตายเมื่อไหร่จ้ะเมื่อปี2 5 0พันหค่ะหนูมีพี่น้องกี่คนมี5คนค่ะผู้หญิงผู้ชายกี่คนหนูเป็นหญิงคนเดียวค่ะพ่อแม่เสียใจยมากไหมที่หนูตายจากไป พ่อแม่เสียใจมากเพราะหนูเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวพ่อสร้างพระพาบูที่สุนทรภศนให้หนูที่วัดมากุูดเอาชื่อหนูไปตั้งชื่อพับพานี้มีรูปหนูแล้วมีคำจารึกมีศพของหนูฝังอยู่ในนี้ด้วยค่ะพ่อดีขึ้นแล้วหนูขอลาไปก่อนแล้วจะมาหาพ่ออีกจ้ะคำพูดทุกคำระหว่างแม่หนูปิมพระบ ด, ดีกับผมทุกคนในห้องได้ยิน ได้ฟังและฟังอย่างตั้งอกตั้งใจจริงๆพยาบาลมาฉีดยาให้ผมอีกแล้วผมก็หลับไปจนเช้าโดยไม่มีอาการปวดรุนแรงมารบกวนอีกเลยในคืนนั้นเหมือนกับยังไม่สิ้นกรรมสิ้นเวรอาการของโรคที่สงบไปเมื่อคืนหนึ่งนั้นพอรุ่งเช้าก็เอาอีกปวดอีก ทุรนทุรายร้องควรวญครางอีกอาจารย์ท่านเข้ามาดูอาการทุกเช้าทุกวันสั่งการรักษาทุกวันเช้าสบายสายปวดกลางวันสบายบ่ายปวดดิ้นหรือพอตอนเย็นสบายชื่นฉ่ำพอข้ามก็ร้องครางเป็นอย่างนี้อีกสามหรือสี่วันทุกครั้งที่ปวดผมจะนึกถึงหนูพิมพ์เพราะว่าดีทันที ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนถ้าเป็นกลางวันก็จะได้ยินเสียงพูดว่ า, า แ, ลวแล้วเธอก็จะเอามือมาช่วยกุมที่ปวดจนผมทุกเราคำพูดที่ผมพูดคือมาแล้วหรือลูกทุกคนที่มาเยี่ยมผมหรือมาอยู่ในห้องจะเงียบสงบคอยฟังคำพูดของผมที่พูดกับวิญญาณในเรือนร่างของหนูพิมอย่างใจจดใจจอ่อ เหมือนนัดกันในเย็นวันหนึ่งเย็นมากแล้วพะนาท่านทวีบุญจ เ, เกตซึ่งเป็นพี่ชายของผมท่านเป็นเยี่ยมพร้อมด้วยบุตรชายของท่าน คุณวบีรวัตบุญเดเกตหรือที่ญาจ้าเรียกชื่อเล่นว่าบูเป็นคนขับรถพาพี่ชายไปที่สิริราชท่านถึงอนิจกรรมไปแล้วและคุณวบีรวัตซึ่งเดี๋ยวนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมคุณทวีก็เป็นประจักษ์พยานท่านหนึ่งในขณะนั้นอาการปวดองผมกำเริบอีบวดมากขึ้นมากขึ้น ผมก็นอนร้องเรียกหนูพิมพให้มาช่วยคุณทวีท่านทราบเรื่องอยู่บ้างแล้วจากปากคำของญาติญาติท่านก็เลยนั่งอยู่ปกติท่านไปเยี่ยมผมบ่อยมากแต่ไปนั่งไม่นานเพราะท่านทนความสงสารในความทุกข์ทรมานของผมไม่ไหวเย็นนั้นท่านนั่งอยู่นานหน่อยพอดีผมปวดมากแล้วร้องเรียกหนูพิมพว่าลูกมาช่วยพ่อที คุณเทวีทราบเรื่องนี้จากญาติพี่น้องมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ท่านมาเห็นพอดีคือผมเรียกหนูพิมพ์หนูพิมพ์ก็มาผมก็ถามเธอว่าผ่าแล้วทำไมยังไม่หายอีกหนูพิมพ์ตอบว่ายังไม่หายยังไม่หมดเวรกรรมที่ทำไว้แล้วเมื่อไหร่จะหายเธอตอบว่าราวๆอีกสี่ปีพศ2508นั่นแหละ ผมถามดังๆต่อไปว่าแล้วทำอย่างไรต่อไปเธอตอบว่าครุ่งนี้แปดมงเช้าหมอจะเอาตัวไปผ่าอีกจะต้องผ่าอีกสองครั้งรวมสี่ครั้งในคราวนี้ผมก็ทวนคำพูดของเธอแล้วร้องว่าต้องผ่าอีกสี่ครั้งเชีหรือคุณทวีนั่งฟังอย่างสงบทุกคนเงียบและคอยฟังครู่ใหญ่ๆอาการปวดก็บรรเทาหนูพิมพ์จึงบอกกับผมว่า หนูจะลาไปก่อนวันนี้รีบหน่อยเพราะจะไปรับกุศลที่เขาอุทิตให้ที่พระพาพิมพ์พระอดีทุกคนได้ยินคาพูดที่ผมทวนคาพูดของหนูพิมพ์ผมจึงถามเธอว่าเขาอุทิตส่วนกุศลให้เรื่องอะไรเธอตอบว่าเขาบาเพ็ญกุศลศพใครไม่รู้คืนนี้ที่พระพาคนตายมีเหรียญมีตรามีสายสะพาย ผมก็ทวนคำพูดออกมาดังๆคุณทวีที่นั่งอยู่ก็อยากพิสูจน์จึงให้วีรวัตรลูกชายขับรถยนต์ออกไปเดี๋ยวนั้นไปดูซิว่าที่พระพาพิมพ์พระว ด, ดีวัดมกุฎมีการบำเพ็ญกุศลใครศกเปลียนตราน่าจะรับพระราชทานเพลิงที่สุสานหลวงวัดเทพสิรินพระญาติหนูพิมพบอกว่ามีสายสะพายคุณวรวัตรบุญเกต จึงรีบขับรถออกไปจากเสือรีราทันทีไปที่วัดมากุูดพอถึงพระพลาพิมพ์พระวดีก็เดินเข้าไปดูหน้าพระพลาปรากฏว่าเป็นความจริงคืนนั้นมีการนำศพออกมาจากสุสานมาบำเพ็ญกุศลพรุ่งนี้จะมระพระราชทานเพลิงเป็นศพของรองอธิบดีกรมเจ้าท่าผมก็ลืมชื่อของท่านเสร็จแล้วรูปถ่ายหน้าโกดเป็นรูปเต็มยศมีเหรียญตรา มีสายสะพายจริงคุณวิรวัตจึงรีบขับรถมาเรียนคุณทวีว่าเป็นอย่างที่ผมทวนคำพูดของลูพิมพ์ทุกประการคุณทวีนั่งสงบ ก, กล่าวออกมาคาเดียวว่าแปลกแต่จริงผมต้องเล่าย้อนเป็นนิดหน่อยคือตอนที่ลูพิมพ์นั่งอยู่ข้างเตียงผม เามือเท้าคางยันขอบเตียงอย่างเคยเธอพูดว่าเสียดผมถามว่าเสียดายอะไรเธอตอบว่าแก้วระยะคมไฟที่พับตาคนที่ยกขาอย่างวางพวงหลีททำขาอย่างไปดคนคมแก้วช่อระยะตกลงมาแตกหลายช่อทำให้ไม่สวยพ่อแม่ก็ไม่ทราบอีกสองสามวันคุณพ่อหนูชาตินี้จะมาเยี่ยมพ่อพ่อช่วยบอกคุณพ่อหนู ให้ช่วยเปลี่ยนระยะที่ตกลงมาแต่ให้ทีหนไม่สบายใจผมทวนคําพูดนี้ให้ทุกคนได้ยินทั้งคุณทวีด้วยก่อนที่คุณเบรวัตรจะกลับมาจากวัดมารายงานเรื่องศพที่พระพานั้นคุณทวีและบุชายกลับไปด้วยความประหลาดใจว่าผมนอนเจ็บอยู่ที่เตียงตั้งสิบกว่าวันทําไมรู้เรื่องที่จะเผาศพรองอเทพดีกรงเจ้าท่าและศพ ตั้งมันเป็นกุศลที่พระพาพิมพ์พวดีวิญญาณคงมาบอกจริงๆวิญญาณมีจริงหรือคนตายแล้วยังวนเวียนอยู่หรืออะไรที่มาพูดกับน้องชายผมว่าท่านคงนั่งคิดนอนคิดไปนานคืนนั้นผมปวดอีกครั้งหนึ่งพอเช้าอาจารย์หมออุดมก็มาเยี่ยมเช่นเคยพอทราบว่ายังปวดอีท่านก็ยืนอยู่ครู่ใหญ่ แล้วหันมาสั่งพยาบาลว่าไปบอกหัวหน้าตึกให้ตเตรียมคนไข้นี้ไปห้องผ่าตัดอีกทีเช้าวันนี้ก่อนแปดนาริกาผมตะลิงภรรยาและพยาบาลงงทุกคนในตึกนั้นเมื่อทราบคำสั่งก็ประหลาดใจเพราะพยาบาลที่เฝ้าเธอเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าเช้านี้ผมจะต้องถูกผ่าอีกเพราะหนูพิมพ์่อล่วงหน้าไว และผมก็ถูกนาไปห้องผ่าตัดดมยาสลบผ่าตัดดึงเอารากกระสาทเส้นนี้ออกโดยพยายามดึงเอาออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราราวเกือบเที่ยงก็กลับมาที่ห้องนอนที่ตึกพักโดยสลบมาบนรถเปรยตามเคยพอฟื้นมาอาการปวดเจ็บแผลก็มาแทนแต่อันนี้ระงับได้ด้วยการฉีดยาพยาบาลมาฉีดยาระงับปวดให้เป็นระยะ พอข้าลงก็สงบญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาเยี่ยมกันมากมายตามเคยที่มาเยี่ยมจริงๆก็มีที่อยากรู้เรื่องวิญญาณของเด็กที่มาช่วยผมก็มีพอสักสามทุ่มคืนนั้นรูพิมพ์ก็มาอีกตามเคยเธอเอามือมาวาที่ขมับผมปวดทั้งแผลผ่าตัดและที่ปวดอยู่เดิมทำอย่างไรมันก็ไม่หายผมนอนทนเอา ภาวนาบริการไปจนหลับไปในที่สุดแล้วเธอก็กลับไปเมื่อผมสงบข่าวลือจากปากต่อปากไปไกล ย, ยิ่งกว่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนและก็แน่นอนข่าวนั้นก็ย่อมต้องมากกว่าความเป็นจริงจนวันหนึ่งคุณชิดสุวรรณปัตซึ่งเคยเป็นพยาบาลอาวุโสที่สายนัดดาคลินิกของท่านนายแพทย์หม่อมหลวงเตอ๋อสนิทวงซึ่งผมเคยทางานอยู่กับท่าน เมื่อพศ2493ถึง2495ก็38ปีมาแล้วเป็นคนชอบพอกันในสมัยที่ทำงานอยู่ด้วยกันเธอมาเยี่ยมแล้วมาบอกกับผมว่าจะมีคนมาพบมาหาและมาคุยเรื่องหนูพิมพ์ผมก็บอกเธอว่าก็มีอย่างที่พยาบาลและภรรยาผมได้ยินได้ฟังก็เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นคุณชิดนี่ถึงแก่การามไป เมื่ออายุราวๆเจปีเมื่อ4ถึง5ปีมานี่ถัดต่อมาอีกวันหรือสองวันเย็นๆมีชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักกันมาก่อนมาขอเยี่ยมดูเหมือนจะเป็นเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง19บเนาฬิกาขณะนั้นผมอาการดีขึ้นนิดหน่อยไม่ใช่กำลังปวดประสาทสองท่านก็มานั่งสนทนาด้วยแล้วก็เรียบเคียงเข้ามาถามเรื่องหนูพิม ผมก็สรุปให้ท่านฟังนิดๆหน่อยๆมีภรรยาและพยาบาลที่เฝ้าคอยเสริมให้แจ่มชัดขึ้นสองท่านนี้เอาภูมิลัยดอกมะลิพวงใหญ่ๆมาแขวนให้ผมที่หัวนอนเตียงในห้องเผอิญจุดทูบหอมบูชาพระกลิ่นผสมกันหอมพิกลทำท่าจะเป็นวัดหรือสั์เจ้าหายหลังไปโน้นสักครู่ใหญ่คุณผู้ชายที่มาด้วยก็ขออนุญาต เอารูปถ่ายเด็กๆผู้หญิงราวๆสักสาสิบใบเห็นจะได้มาวางเรียงเรียงกันบนที่นอนผมชักสงสัยท่านจะมาทำพิธีป่ารังควานหรือทำพิธีแขกที่เรียกว่าอิสวรากุมารีคือการเอาเด็กๆพรหมจรรย์มาบูชาพระอิศวรบนบานสารกล่าวให้ผมหายป่วยไข้หรืออย่างไรแต่ไม่ใช่พอท่านค่อยๆเอารูปถ่ายขนาดสักสองนิ้วบ้าง สามนิ้วบ้างมาวางเรียงเต็มหน้าเตียงที่ผมนอนอยู่เรียบร้อยแล้วท่านก็ถามว่าคุณหมอช่วยชี้สิครับว่าคนที่มาหาคุยกับคุณหมอและบอกว่าชาติก่อนเป็นลูกสาวคุณหมอและชาตินี้เกิดมาเป็นลูกสาวผมนะคนไหนและรูปถ่ายที่นำมาเรียงอยู่นี่ ผมลุกขึ้นนั่งแล้วหยิบแว่นตามาสวมดูไปทีละรูปทีละรูปดูไม่นานนะักโดยวิธีหยิบรูปที่ไม่ใช่หนูพิมพ์ออกมากองไว้พวกหนึ่งหยิบออกมากองทีละใบทีละใบเหลือใบสุดท้ายทิ้งไว้บนเตียงหนึ่งใบแล้วก็หยิบรูปนี้ขึ้นชูพลางบอกว่าหนูคนนี้แหละครับที่มาหาผมทุกวันทั้งสองท่านที่มาเยี่ยมถูกรอยยิ้มที่มุมปากคุณผู้หญิงร้องไห้โฮใหญ่ คุณผู้ชายเช็ดน้ำตาแล้วบอกว่าใช่แล้วครับรูปนี้คือรูปถ่ายหนูพิมพ์เพาะว่าดีลูกสาวผมถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนส่วนรูปอื่นๆนั้นเป็นรูปเพื่อนของหนูพิมพ์ห้าหกชีวิตในห้องพักคนไข้ที่ผมนอนป่วยอยู่เงียบหมดแทบไม่ได้มีแม้แต่เสียงลมหายใจต่างคนต่างก็เขยืข้อกลมาดูรูปหนูพิมพ์ที่วางอยู่บนเตียงซึ่งตอนนี้อยู่ในมือผม พอบรรยากาศเริ่มคลี่คลายในทางปกติขึ้นแล้วท่านที่มาเยี่ยมประบอกว่าผมทราบจากคุณชิดก็เลยมาถือโอกาสเยี่ยมและสอบถามถึงลูกสาวผมทุกวันนี้ผมก็ยังระลึกถึงลูกพิมพ์อยู่เสมอแกเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากท่านั่งประจำของแกก็คือท่านั่งเท้าคางเอาข้อศอกยันพื้นไว้อย่างที่คุณหมอพูดจริง ผมชื่อเสียงโหสกุลครับผมมีกิจการส่วนตัวค้าขายเครื่องอะไห ร, รถยนต์ทุกชนิดที่เป็นตึกสามชั้นอยู่ตรงสามแยกสะพานนงพวงทิ่ใต้ของโรงเรียนวัดเทพสรินี่เองครับผมก็ถามคุณเสียงว่าคุณเสียงมีบุตรธิดากี่คนคุณเสียงก็บอกซึ่งผมจำไม่ได้ว่าสมหรือสคนแต่ที่แน่ๆมีธิดาคนเดียวคือหนูพิมนี่แหละ เธอป่วยด้วยไข้เลือดออกเสียชีวิตที่ตึกเด็กโรงพยาบาลสิริราชประมาณปีพศ2503จริงส่วนเรื่องเด็กหญิงคนอ้วนๆที่ตายด้วยโรคอ้วนนั้นไม่ทราบเรื่องผมก็ถามคุณเสียงว่ามีอะไรเกี่ยวกับนุพิมพ์อิงไหมผ ม, มอยากทราบคุณเสียงก็เล่าว่าเช้าวันหนึ่ง พระพิกษุส์หรูปจากวัดเทพสิรินี่เองได้เดินไปที่ร้านเสรีวัฒนาโดยมีตาลาปัดทุกรูปและมีลูกศิษย์ตามไปด้วยสองสามคนพอพระท่านเดินทางไปถึงก็ก้าวเข้าไปในร้านอูกสิธิ์ก็ร้องบอกว่าพระมาแล้วครับคุณเสียงก็งงจึงถามว่ามาเรื่องอะไรพระรูปหนึ่งในคณะก็พูดว่าที่มาเย็นวานนี้ให้เด็กผู้หญิงไปนิ่นบนพระ มารับสังฆทานห้ารูปนิมนต์ให้มาที่นี่คุณเสียงก็พูดว่าไม่เคยให้เด็กคนไหนไปนิมนต์พอดีพระรูปหนึ่งเหลือไปเห็นรูปถ่ายของหนูพิมที่ติดไว้ข้างฝาท่านก็ชี้ว่าหนูคนนี้แหละที่ไปนิมนต์อาตมานั่งอยู่ด้วยการสามรูปได้ยินชัดทั้งสามรูปส่วนสองรูปนั้นอาตมานิมนต์มาให้ครบห้ารูปตามที่แม่หนูบอก คุณเสียงตะลึงและงงเป็นที่สุดจะไม่เชื่อก็ไม่ได้และพังเอิญวันนี้เป็นวันที่ถึงแก่กรรมของหนูพิมพ์พ่อแม่จะทำบุญใส่บาตอุทิศส่วนกุศลไปให้อยู่แล้วฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นทำสังฆทานตามพี่หนูพิมพ์ปรากฏร่างไปนิมนต์พระมาให้เสียเลยก็แปลกวิญญาณในเด ร, ร่างของหนูพิมพไปนิมนต์พระมาทาสังฆทานให้กับตน ในวันตายของตนเองคุณเสียงถามต่อไปว่าตอนนี้หนูพิมอยู่ที่ไหนผมก็บอกท่านว่าหนูพิมยังอยู่แถวแถวนี้และมาเยี่ยมผมเกือบทุกคืนโดยมาก็ไม่เว้นแต่บางทีก็มากลางวันผมก็เลยบอกคุณเสียงว่าหนูพิมบ่นว่าคนถือขายอย่างที่วางพงรีบเอาขายอย่างไปเกี่ยวกับระยะที่โคมไฟกลางพระพลาพิมเพราะว่าดี ตกลงมาแตกหลายอันพ่อเธอไม่รู้เลยไม่มีใครไปทำให้ดีเหมือนเก่าเธอเสียดายมากผมก็นอนอยู่บนเตียงนี้มากว่าสิบวันแล้วแล้วก็ไม่เคยไปนั่งในพระภาที่ว่านี้หากจะไปงานศพที่วัดใดผมก็มักจะนั่งข้างนอกศาลาเพราะข้างนอกเย็นดีได้รับลมแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าในกลางพระภานั้นมีโคงไฟระยะห้อยอยู่ แล้วเดี๋ยวนี้ปลายล่างของโครงไฟตกลงมาแตกหลายอันคุณเสียงจึงให้คนขับรถขับบึงไปดูโครงไฟว่าเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือไม่คนรถกลับมาในตอนหลังก็มาเรียนคุณเสียงว่าระยะที่ห้อยโครงไฟขาดไปหลายอันสงสัยจะตกลงมาแตกท่านจิงสั่งว่าพรุ่งนี้ให้รับช่างไฟไปดู แล้วจาัด ก, การเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยคุณเสียงและภรรยานั่งอยู่อีกสักพักก็ลากลับก่อนจะกลับได้ถามผมว่าหนูพิมพ์พูดหรือเปล่าว่าบิญยาของเธอจะไปไหนต่อผมก็บอกว่าอีกไม่ช้าหนูพิมพ์จะไปเกิดและทีนี้ จะเกิดเป็นผู้ชายเธอเคยคุยกับผมว่าอย่างนั้นพอได้ยินคำนี้ภรรยาคุณเสียงยกมือไหว้พึมพำพึมพำว่าเกิดชาติใดฉันใดขอให้เกิดเป็นลูกแม่อีกนะลูกก่อนจากกันทั้งสองท่านได้ออกปากเชิญผมว่าถ้าผมหายเมื่อไหร่จะเชิญผมและภรรยาไปบ้านแต่รับประทานอาหารที่บ้านสักครั้งบ้านท่านอยู่ถนนสุขุมวิท จะเป็นซอยนานาใต้หรืออย่างไรผมก็จำไม่ได้เสียแล้วและเมื่อผมหายป่วยในคราวนั้นกลับบ้านแล้วผมก็ได้ไปบ้านท่านตามคำเชิญโดยมีญาติมิตรของท่านมาดูหน้าตาผมและฟังเรื่องนี้อีกเมื่อตอนจะจากกันในคืนนั้นที่สิริราช ผมได้ออกป่าขอรูปถ่ายของหนูพิมพ์ไว้เพื่อจะได้ดูและอุทิศส่วนกุศลให้เธอเวลาผมสวมดมนต์และทำบุญทำกุศลซึ่งผมก็ปฏิบัติดังนี้มาเป็นเวลากว่า27ปีแล้วซึ่งท่านก็ได้กรุณามอบใบใหญ่ขนาดโปสการได้ผมไว้หนึ่งใบเห็นจะเป็นเพราะวันนั้นไม่ได้พักผ่อนและสนทนาภาทีกันมากพอข้ามลง อาการปวดก็มาเยือนอีกคราวนี้ปวดบริเวณเหนือคิ้วทางขวามากที่สุดแล้วก็เลยลามปาไปปวดตั้งแต่ขมับขึ้นไปถึงกลางกระมองมันทั้งแสบทั้งปวดเหมือนออกไฟมาอังปวดอยู่นานผมนึกถึงหนูพิมไปพยายามเข้าสมาธิไปมันก็ไม่ทุเลาหนูพิมมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบพอรู้ว่าเธอมาก็พูดว่ามาแล้วหรือลูก สองคนที่เฝ้าอยู่ก็นั่งฟังอย่างเคยคราวนี้มีพยาบาลเวที่ตึกมาฟังด้วยผมถามว่าเมื่อไหร่จะหายหรือหมดเวรหมดกรรมเสียทีมันทรมานจริงๆลูกพิมพ์บอกว่าอีก4ปีถึงพบหมอที่รักษาให้หายขาดได้เมื่อนั้นก็หมดเวรแล้วก็จะมีความสุขตลอดไปเพราะกุศลกรรมตามมาสนองแล้วผมถามต่อไปว่า แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ในตอนนี้เพราะตอนนี้ก็ปวดมากอีกเธอก็ตอบว่าพรุ่งนี้พ่อจะถูกผ่าตัดอีกคราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับมวดนี้และจะเป็นการผ่าตัดที่ทารุณที่สุดในชีวิตของพ่อผมทวนคาพูดของเขาอีกว่าพรุ่งนี้พ่อจะต้องถูกผ่าอีกหรือแล้วจะทารุณที่สุดด้วยหรือ ทุกคนในห้องเงียบทุกคนมีแต่ความเวทนาสงสารภรรยาผมนั้นเชื่อสนิทถึงกับน้ำตาไหลด้วยความรนทดใจผมนั่งเอาศีรษะกดไว้ที่ขอบเตียงบางทีก็อยากจะเอากระแทกลงไปที่เหล็กหัวเตียงเพราะความปวดจิตใจตอนนี้แหละจะอดทนไม่ได้พยาบาลฉีดยาให้หลับตามที่หมอเวนสัง่งก็หลับไปพอตื่นก็ปวดอีกแทบตลอดคืน ผมนึกเบื่อตัวเองแทนอาจารย์ที่ท่านตั้งใจรักษาอยากจะให้ใตายตายเสียรู้แล้วรอดไปจะได้ไม่ทรมานแต่มันยังไม่หมดวิบากกรรมก็ต้องทนอยู่ต่อไปรุ่งเช้าเจ็ดนาฬิกาอาจารย์ท่านก็มาเยี่ยมอีกตามเคยพอได้รับรายงานจากพยาบาล ท่านก็ยืนนิ่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วหันมาพูดกับผมว่าเดี๋ยวแปดโมงเช้าเอาไปผ่าอีกครั้งทีนี้เลาะประสาทฝอยให้หมดทั้งแถบมันคงจะไม่มีอะไรมาปวดอีกแล้วแล้วท่านก็หันไปสั่งพยาบาลอย่างเคยทุกคนนิ่งด้วยความเวทนานิ่งด้วยความประหลาดใจและเชื่อมือว่าทุกครั้งที่หนูพิมพ์มาบอกเป็นต้องไม่มีผิด จะไม่เชื่อก็ไม่ได้ข่าวก็ออกจากปากนี้ไปปากโน้นไปปากนั้นตามเคยว่าวิญญาณอุพิม์มาบอกล่วงหน้าทุกทีว่าจะผ่าเมื่อไหร่แล้วก็จริงทุกทีพอราแปดนาฬิการถเข็นคันนั้นก็มาอีกคราวนี้พยาบาลไม่ฉีดยาให้ก่อนผ่าตัดผมถามพยาบาลก็ได้รับคำตอบว่าคราวนี้ อาจารย์จะผ่าสดๆ ด, ดิบๆไม่ใช้ยาฉีไม่ใช้ยาชาใดๆทั้งสิน้นผมก็ขึ้นรถนอนเปลไปกับเขาพอถึงห้องผ่าตัดอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่รู้ประสาทฝอยเส้นไหนเสียมันถึงปวดถ้าให้ยาสลบยาชาแล้วมันก็เหมือนถอนฟันเลยไม่รู้ซี่ไหนปวดเพราะฉะนั้นคราวนี้ ผ่าโดยไม่ใช้ยาสลบเลยขอให้ทนเองผมก็นึกว่ากรรมแน่แท้เพราะแม้แต่สัตว์วัชแพ้เขาจะทําการผ่าตัดสัตว์เขายัางใช้ยาระ ง, งับความรู้สึกระ ง, งับความเจ็บ ป, ปวดนี่ผมเป็นคนแท้แท้ยังโดนแบบนี้ว่าแล้วท่านก็เอามีดกรีดลงไปบนคิ้วขวาของผมกรีดตลอดแนวยาวตั้งแต่หัวคิ้วขวาเรื่อยไป ผมสะดุ้งสุดตัวความเจ็บปวดร้องควรวญครางอาจารย์ท่านก็บอกว่าเจ็บก็ร้องไปตํารวจไม่จับหรอกแล้วท่านก็ผ่าไปเอาคีมจับเส้นประสาททีละเส้นพอเส้นประสาทถูกคีมคีบมันก็ปวดถึงหัวใจผมร้องออกมาดังกว่าวัวกอกวควายที่กําลังถูกเชื้ดเพราะการผ่าแบบนี้เวลาดึงประสาททีไร ก็สะดุ้งจนตัวลอยพยาบาลห้องผ่าตัดก็กดตัวไว้ทางทางที่พันธนาการไว้อย่างเหนียวแน่นผมถูกผ่าไปดึงประสาทไปร้องจนสุดเสียงไปเพราะความเจ็บปวดและความปวดทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นกว่าชั่วโมง อาจารย์ท่านพยายามรีงประสาทฝอยออกให้มากที่สุดแต่ก็ยากเพราะมันติดกันหนุ่งนางเหมือนมุนเส้นที่เราเอามายำกินผมร้องโอดควรวญดังที่สุดในชีวิตเจ็บที่สุดในชีวิตปวดที่สุดในชีวิตทารุณที่สุดในชีวิตเหมือนกับหลวงพิมพ์บอกไว้ไม่มีผิดและสุดท้ายผมก็สลบไปเองเพราะความเจ็บปวดมารู้สึกตัวเมื่อพบ ว, ว่าตัวมาอยู่ในห้องนอน มีสายน้ำเกลือรุงรังมีสายยางที่จมูกที่ปากพร้อมมูลความปวดในยังไม่หายแม้จะหยุดผ่าตัดแล้วแต่ความปวดระบมมันสุดแสนจะทนทานจนต้องร้องและครางออกมาดังๆไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงต่อกี่ชั่วโมงค่ำนั้นก็ยิ่งปวดแผลปวดระบมประสาทปวดระบมสมองเมื่อไปทั้งตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผมถูกฉีดยาระงับปวดยานอนหลับก็หลับไปทั้งสายยางต่างๆจนตื่นอีกทีก็ดิโขเห็นจาราลาสองยามหรือกว่านั้นจำได้ว่าวันที่ถูกผ่าตัดวิบากชดใช้กรรมนั้นเป็นวันพุธที่จำได้ก็เพราะอาจารย์ท่านบอกว่าวันพฤหัสพรุ่งนี้ไม่ว่าท่านติดประชุมแต่เช้าผ่าเสียนพุธวันนี้แหละ พอตื่นขึ้นมาดังกล่าวก็พบภรรยาพยาบาลพิเศษที่นั่งเฝ้าอยู่ผมถามทั้งสองคนนั้นว่านี่ยังไม่ตายอีกหรือมันทารุณที่สุดแล้วสองค น, นนั้นน้ำตาไหลเพราะความสงสารและผมก็หลับตาลงภาวนาพุทโทพุโทโธระงับเวทนาพอหลับตาสักครู่หนูพิมพ์ก็มาหาเอามือกลุ่มตรงที่ผ่าตัด และตรงที่ปวดผมก็ถามว่าพ่อหมดเวรหรือยังเธอตอบว่าพ่อชดใช้กรรมตามที่เขาอาคาดไว้มากแล้วต่อไปนี้จะค่อยๆดีขึ้นผมถามต่ออีกว่าพ่อจะถูกผ่าตาดอีกไหมเธอตอบว่าไม่มีแล้วแล้วจะปวดอีกไหมโรคปวดประสาทนี้นะเธอตอบว่ายังมีแต่ไม่ทารุณมากนะัก มีีีอกปเราจะให้พ่อทำอย่างไรต่อไปทำบุญอุที่ส่วนกุศลให้เขาไปเรื่อยๆขออโหสิเขาเสียภาวนาแล้วส่งใจไปแผ่กุศลให้เขาเสมอๆนะพ่อนะหนูพิมพ์ตอบพ่อจะกลับบ้านได้เมื่อไรวันอาทิตย์นี้หละจะพ่อผมถามต่อไปว่าถ้ามันยังไม่หายจะกลับยังไงเธอก็ตอบว่า ยังมีกำลังเบาๆหลงเหลืออยู่ถึงจะเป็นก็ยังไม่รุนแรงเท่าคราวนี้จะ่ะเวลาพ่อกลับบ้านแล้วพ่อจะนั่งเรียกให้ลูกไปหาจะไปได้ไหมหนูจำต้องลาไปก่อนแล้วคราวนี้หนูจะเกิดเป็นผู้ชายจะ่ะแล้วตอนนี้ลูกก็เข้าบ้านพ่อไม่ได้เจ้าที่เจ้าทางห้ามจากเธอตอบภรรยาผมและพยาบาล เฝ้าฟังอย่างเคยหนูลาพ่อเลยนะและทีนี้ไม่มีอีกแล้วจะพ่อพ่ออย่าลืมทำบุญอุที่สูญสูญให้เขาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะพ่อนะเสียงรู้ิวีว่ววแต่ชัดเจนติดมาจนบัดนี้ และก็เป็นจริงอย่างว่าหู้พิมพ์ไม่ปรากฏการให้เห็นอีกเลยอาการปวดผมก็บันเทาลงแต่แม้จะไม่หายขาดก็ยังดีกว่าเดิมผมนอนดูอีกสามวันถึงวันเสาร์ตอนเช้าอาจารย์อุดมก็มาเยี่ยมอีกท่านไม่เคยหยุดงานเลยแม้วันหยุดราชการผมรายงานว่าอาการปวดเบาไปเยอะแต่ก็ยังมีอยู่ไม่หายขาดอาจารย์ก็บอกว่า เรายังเข้าไปทำลายศูนย์ประสาทของมันไม่ได้เมื่อหลายทำลายได้หมดเมื่อ น, นั้นจะหายคาพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะกลับบ้านก่อนก็ได้พักฟื้นต่อไปเพื่อมีอะไรต่อไปค่อยว่ากันใหม่ผมลุกขึ้นนั่งกราบท่านในความกรุณาและท่านก็จากไปผมดีใจที่จะได้กลับบ้านในเช้าวันพรุ่งนี้ทั้งทั้งที่แผลผ่าตัดต่างๆยังไม่หายท่านบอกว่าทาแผลเอง เอาไหมายออกเองก็แล้วกันเป็นหมออยู่กับตัวนี่คืนนั้นผมนอนหลับได้ดีมากอาการปวดประสาทที่รบกวนนิดหน่อยตอนที่หลับก็หลับสนิทไม่มีอะไรมาพ้องผ่านในใจ ผมก็เข้าสมาธิต่อไปเรื่อยๆเมื่อรู้สึกตัวเช้าวันอาทิตย์ผมถวายบังคมลาสมเด็จพระราชบิดาลาพยาบาลแพทย์ที่ช่วยเหลือก่อนกลับผมถือรูปหนูพิมพ์ไว้ในมือแล้วสั่งให้รถแวะไปที่วัดมกุฏกษัตริยารามก่อนเพื่อไปดูพระพลาพิมพ์พาวดีไปดูรูปหนูพิมพ์ผู้มีพระคุณผมลงจากรถเดินไปที่พระพลาพิม พ, พาวดี แต่ขณะนั้นมีประตูเหล็กปิดอยู่ผมได้แต่ยืนข้างนอกตาก็จ้องดูรูปหนูพิมพ์ที่ผนังพระภาโดยมีภรรยาผมคอยดูอยู่ด้วยผมยกมือขึ้นอุทิศส่วนกุศลให้เธอและบอกเธอว่าจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และเมื่อสวดมวนต์แล้วจะอุทิศส่วนกุศลให้เธอทุกวันจนกว่าผมจะตายไปความรักข้ามชาติลูกรักพ่อ พ่อรักลูกผูกพันนักแม้จากข้ามชาติมีขาดศูนรู้พ่อป่วยมาช่วยด้วยเกื้อกูลพ่ออาดูลเมื่อลูกต้องรับใก ล, ลูกรักแม่แม่รักลูกผูกพันนักแม้จากข้ามพบมีลบได้ขอให้ลูกเกิดเป็นลูกทุกชาติไป เหนือเหลืออะไรเมื่อจำต้องจากจรหนูพิมพ์ภวดีสีพิสุทธิ์เกิดเป็นบุตรหมออาจินในชาติก่อนมาชาตินี้รู้เห็นเป็นบิดอนเอืออาทรรักข้ามชาติไม่ขาดเลย